ดับต่อไปนี้พวกเราทั้งหลายก็ตั้งใจนะการที่จะรับฟังในสิ่งนั้นเป็นประโยชน์เพราะวันนี้เรามีการบาเพ็ญการกุศลพิเศษให้กับทูพ่อจันนะที่เป็นนักปฏิบัติภาวนาที่พวกเราทั้งหลายรู้จักกันดีนะตั้งแต่ลูกหลาน ญาติมิตรของท่านก็ได้ทำหน้าที่เรื่องนี้มาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะทั้งลูกสาวจาย์มณีอาจาร์นน ร, รงรอถึงลูกหลานได้เข้าวัดปฏิบัติทำมาสมัยทีย่จะมาอยู่ที่แพร่แสงเทีย น, นเป็นเวลาทั้งยี่สิบกว่าปีก็ได้เห็นโยมพ่อจันเข้าปฏิบัติ ด, ด้วยนะ กับลูกกับหลานเป็นกำลังใจให้ลู ก, กหลานมาโดยตลอดดังนั้นในโอกาสที่พ่อใหญ่จันได้สูญเสียไปและครอบครัวลูกหลานของคุณพ่อได้สูญเสียพ่อนเป็นที่รักไปญาติพี่น้องได้สูญเสียลุงลุงหลานดานหรือพี่น้องของเราทงหลายที่ได้ลูกสูญเสียท่านพู่เป็นที่รักเการบไป อันนี้้ไดเมื่อมาอะไรคิดถึงกันก็ได้มาทําในสิ่งที่ดีให้แก่กันเริ่มต้นโดยการมีการทําวัดสวดมนต์เหมือนกับคุณพ่อมีชีวิตอยู่เวลาไปวัดก็จะไปร่วมทําวัดสวดมนต์แปลกับพระหลังจากทําวัดสวดมนต์แปลแล้วแล้วก็มีการฟังทำแม้ท่านตายไปแล้วเราก็ทําเหมือนเช่นนั้นเหมือนกันเพื่อการนําเอาสิ่งที่ดีๆนี้มาระลึกถึงกันแล้วก็นําเอา สิ่งที่เราจะสวดต่อไปเรียกว่าสวดอภิธรรมเจ็ดคำพีแปลนะเพื่อที่จะได้ให้คนที่มีชีวิตอยู่ได้เรียนรู้ว่าทำไมคนตายต้องเอาอภิธรรม7คัมคำพีมาแปลทำไมไม่ใช่บทอื่นบ้างเพราะบ้านเราส่วนใหญ่ก็ทำตามประเพณีนิมนต์พระมาก็สวดกุศลากันจบสยทาสพีก็ถวาย าทายาทเสร็จแล้วก็กลับวัดแค่นั้นนะได้ประโยชน์น้อยแต่ไหนๆเราเสียเวลามาแล้วเนี่ยอย่ามาตามประเพณีอย่างเดียวเราต้องได้ประโยชน์จากการมาร่วมด้วยเพราะฉะนั้นการมาร่วมงานสวดศพคนตายแต่ละครั้งเนี่ยเราก็เรียกว่าใช้เวลากันหลายชั่วโมงนับตั้งแต่หนึ่งทุ่มสองทุ่มสามทุ่มบางทีสี่ทุ่มจะได้กลับบ้าน บางคนก็ได้เลยว่าทำการทำงานมาทั้งวันแทนที่จะได้พักผ่อนนอนหลับเหนื่อยแต่ว่าก็ต้องมานั่งเป็นเพื่อนเจ้าภาพตามประเพณีดังนั้นแล้วคนถือโอกาสเอาประเพณีนี้ให้ได้ประโยชน์ร่วมกันโดยการมาเจริญบริกรรมภาวนาทาวัดสวดมนต์โดยการมาฟังในสิ่งอันเป็นประโยชน์จากพระคุณเจ้าพระคุณเจ้านี่นมนต์มาจากวัดต่างๆวัดนั้นบ้างวัดนี้บ้าง มาแสดงทำให้เราฟังบ้างมาสวดให้เราฟังบ้างแต่ในฐานะว่าพรอใหญ่จันและลูกหลานที่ได้ภาวนามายี่สบสาสิปีเนี่ยเราก็คงจะได้มีอะไรพิเศษมาให้พวกท่านทั้งหลายกันบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะการภาวนาเป็นเรื่องสำคัญการภาวนานี้เป็นเรียกว่าการทำบุญทำทานเป็นยาทาการภาวนาเป็นยากิน เาะนั้นเป็นอะไรแล้วก็กินยาแทนที่เราจะทายาการภาวนานั้นทำอะไรให้เรามีดวงตาถพาคนเกิดมาถ้าดวงตาไม่ดีจะเดินไปไหนก็ลําบากหรือไปไหนไม่ได้เลยเรียกว่าตาพิการตาคนเราเกิดมาเนะี่ยมีตาอยู่สองตาคือตานอกกับตาในนั้นเวลาเราไปาวัดเนี่ยเราจึกถูกเทียนสองเล่มเทียนสองเล่มเป็นสนลักว่าเราเกิดมาต้องมีตาสองตานั่นคือตานอกกับตาใน ตานอกเพื่อระวังกายตาในาเพื่อระวังใจระวังกายม่ให้ได้กรับการเจ็บปวดไม่รับอุบัติเหตุไม่รับอาเพศภัยต่างๆที่เกิดจากสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยทั้งหลายแล้วก็เรียกว่าอยู่ปลอดภัยแต่ตาในานั้นระวังอันตรายทางในอะไรแล้วที่เป็นอันตรายทางในอันตรายภายในใจของเราได้แก่ความโลภความโกรธความหลงนี่เป็นอันตรายต่อจิตใจของเรา ดังนั้นคนไหนที่ยังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่ก็เรียกว่ามีอันตรายรอบด้านเราก็ต้องดูว่าความโลภมันเกิดตรงไหนความโกรธมันเกิดเวลาไหนความหลงมันเกิดเวลาไหนเราจึงจะได้หลบเลี่ยงหลบหลีกเป็นเหมือนเราเดินทางไกลมีทั้งภัยพิบัติต่างๆมีสัตว์มีพิษบ้างมีหลุมมีบ่อมีอุบัติเหตุเพศภัย ตามถนนต่างๆแม้เราเราจะมีสายตาดีแล้วก็ตามปัขนขนาดนั้นเราก็ยังต้องรับอุบัติเหตุกันเป็นประจำดังนั้นคนส่วนใหญ่มีแต่ตานอกแต่ไม่มีตาในาก็ไม่สามารถจะพ้นภัยได้ทั้งภายนอกและภายในอันนั้นเองเมื่อเราไม่มีโอกาสได้ภาวนาเราก็มีตาเดียวคนส่วนใหญ่มีตาเดียวคือตาเอกเพราะมีแต่ตานอกเพราะอะไร เพราะตาในไม่มีทําไมถึงกล่าวว่าไม่มีตาในเพราะเรายังโลภมากยังโกรธมากยังหลงมากอยู่เราก็เรียกว่าเราไม่มีตาในเพราะตาในนั้นเป็นการดูมาที่ใจเพราะใจของเราเนี่ยเป็นที่ตั้งของความโลภความโกรธและความหลงถ้าเราไม่มีดวงตา ในแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะอยู่อย่างปลอดภัยได้น่าสนใจว่าเพราะอะไรแล้วต้องเอาทั้งเจ็ดเนี่ยอภิธรรม7จ็ดคำพีเนี่ยมาแสดงให้กับผู้ตายเพราะเราเชื่อว่าทั้ง7็ดเนี่ยอภิธรรม7็คำพีเนี่ยพระพุทธเจ้าได้แสดงในสวรรค์ชั้นดุสิตแล้วเอามาฟังกันที่ดาวดึงชั้นดาวดึงไว้อย่างนั้น พอในพรรษาที่เจดเนี่ยผู้ทีเจ้าท่านได้เสด็จไปโปรดพุทธมารดาที่สวรรค์ชั้นดุสิตสวรรษชั้นดุสิตเนี่ยเป็นที่สถิตอยู่ของพุทธมารดาและของพระโพธิสัตว์มีเทวดามีเทพอยู่สองประเภทในสวรรษชั้นดุสิตประเภทแรกเรียกว่าพุทธมารดาประเภทที่สองเรียกว่าโพธิสัตว์แต่ว่าเราจะมานั่งฟังธรรมกันเนี่ยต้องมามาสวรรค์ชั้นที่สองเรือว่าชั้นดาวดึงเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องนิทานเล่าสู่ันมา ซึ่งความจริงเป็นอย่างไรนะความจริงเป็นอย่างไรเพราะนักวิทยาศาสตร์พิสูจน์ให้เราเห็นว่าถ้าภายใต้พิภพภายใต้ดินนี้มีนรกขุมต่างๆปรากฏอยู่นักวิทยาศาสตร์มันขุดเจาะน้ํามันลงไปจนทะลุแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่เจอนรกสักกลุมเลยนะแล้วก็เขาก็พิสูจน์ขึ้นไปอีกว่าบนสวรรค์บนชั้นฟ้าในมีสวรรค์สถิตมีสวรรค์ตั้งอยู่ นักวิทยาศาสตร์มันก็ทำยานอาวกาศขึ้นไปจนถึงโลกพระ จ, จันทร์อังคารพุทธหัตแล้วก็ยังไม่เจอสวรรค์ักชั้นอีกเหมือนกันมันก็ชักไม่เชื่อว่านารกใต้ดินสบบนฟ้ามีจริงหรือเปล่านะดังนั้นอันนี้เป็นความเข้าใจไม่ถูกต้องแต่โบราณท่านกล่าวเอาไว้เป็นปิิศนาธรรมว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจนิพพานอยู่ไม่ไกลหายใจก็ได้ยินนะ ดังนั้นจริงๆแล้วสวรรค์อยู่ในอกของเราเนี่เองเมื่อเราดีใจเพราะได้เห็นในสิ่งที่ถูกใจเราก็ขึ้นสวรรค์ชั้นที่หนึ่งเมื่อเราได้ฟังในสิ่งที่ถูกใจพอใจสุขใจเราก็ได้สวรรค์ชั้นที่สองเมื่อเราได้อากาศดีๆสดชื่นเวลาเราไปตามป่าตามเขาที่ต่างอากาศไปตามชายทะเลไปน้ําตกเราได้อากาศดีเราก็ได้สวรรค์ชั้นที่สาม เมื่อเราได้อาหารดีได้รถดีได้กินอาหารอร่อยถูกใจเราก็ได้สวรรค์ชั้นที่4เมื่อเราได้สัมผัสทางด่างกายอบอุ่นแนบเนื้อนุ่มนวลแล้วก็มีความสุขในการนอนหลับนอนเราก็ได้สวรรค์ชั้นที่หาถ้าเรามีอารมณ์ดีอยู่เสมอเสมอมีเป็นคนใจดีอยู่เสมอเรียกว่าเราได้สวรรค์ชั้นที่6 เพราะนั้นสวรรค์หชั้นของเราก็ได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เองมันไม่ได้เยือบบนฟ้าแต่ถ้าเมื่อใดเราเกิดความโลภขึ้นมาเราอยากได้อยากมีอยากดีอยากเด่นอยากได้มากจนตึบจนเกิดความทุกข์นะจนเกิดความทุกข์เกิดตัณหาเกิดราคะตัณหาขึ้นมาเราก็ได้ไปตกในอบายชั้นราคะหรือชั้นเปรตนะ เมื like lot, uh, but, ่อใดเราโลภมากจนกระทั่งว่าอยากได้เกินจำเป็นจนกระทั่งเป็นเหตุให้ก่อทุจริตผิดกฎหมายจนได้รับความเดือดร้อนเราก็จะไปตกนรกฮะเมื่อเราเกิดโทสะเกิดข้าวฟันรันแทงเกิดโธโศโมโหทำร้ายร่างกายกันก็ไปตกนรกอย่างนี้เป็นต้นนะหรือบางทีเรามีการทะเลาะทุ่มเทียงขัดแย้งเอาดีเอาเด่นเอาชนะข้าคานกันจนเกิดปัญหา กันก็เรียกว่าไปเกิดในเดรัจฉานดังนั้นอบายภูมิก็อยู่ในใจสวรรค์ก็อยู่ในใจนี่เองโบราณเขาสอนเอาไว้อันนี้เป็นสัจธรรมแต่ในส่วนเป็นปริศนาธรรมนั้นท่านก็ต้องกล่าวไว้ในรูปแบบต่างๆเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งว่าผลไม้ทุกผลไม้ต้องมีเปลือกและมีเนื้อมีแก่นเวลาเรารับประทานเช่นเรารับประทานผู้เรียน เรากินแต่เนื้อมันเราก็ไม่เคยกินเปลือกของมันไม่เคยกินเม็ดของมันเหม้อนกันเรานะับถือพุทธาศาสนาเนี่ยก็มีทั้งเปลือกมีทั้งเมล็ดและมีทั้งเนื้อในส่วนไหนที่เป็นเปลือกเป็นนิทานเขามันก็เอาทิ้งไปในส่วนไหนที่เป็นเนื้อหาสาระเขามันก็เอามาปฏิบัติในส่วนไหนที่เป็นแก่นเป็นเมล็ดเป็นพันุเขามันก็เอาไปสืบไปปลูกไปฝังไปทําให้มันงอกงามต่อไปนี่คือาศาสนา เพราะนั้นตัวพุทธศาสนานั้นคือความจริงที่มีอยู่ในจิตในใจของคนทุกคนถ้าใครได้ถือปฏิบัติคนนั้นก็มีความสุขสบายถ้าคนไหนไม่ถือปฏิบัติคนนั้นก็มีความทุกข์ตกนรกไปเป็นสารพัดเรียกว่าตกอบายไปก็คือในใจของเราไม่สบายเรียกว่าตกอบายเมื่อใจของเราสบายก็ไปสวรรค์เมื่อใจของเราไม่สบายก็ไปอบายหรือไปนรกแค่นั้นเอง นั้นโบราณนี่นก็สรุปสั้นๆว่าสวรรค์นในอกนรกในใจนิพพานอยู่ไม่ไกลหายใจก็ได้ยินนะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปแ ต, แต่ทําไมเราต้องทําบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้พ่อแม่ปูย่ย่าตายายของเราที่ตายไปแล้วเราเข้าใจว่าท่านจะต้ไปเกิดในอบายภูมิบ้างไปเกิดนรกบ้างเปรตบ้างอสุรกายบ้างเกิดสวรรค์บ้างเตมุเทพเป็นเทวดาอินพรหมบ้างเราก็ไม่รู้ว่าท่านไปเกิดชั้นไหน แต่ใจเรารู้ว่าเราทุกข์เมื่อไหร่เราคิดถึงท่านอย่างไรเราคิดถึงท่านดีใจท่านก็ไปเกิดในสวรรค์เราคิดถึงท่านแล้วทุกข์ใจท่านก็ไปเกิดในนรกอย่างนี้เป็นต้นทุกอย่างต้องเริ่มกันที่ใจเพราะพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ามโนปุพังขมาธรมามโนเสถามโนมยาเพราศสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยอยู่ที่ใจ ใจเราเป็นทุกข์เราก็ถกนรกเองใจเราสบายเราก็ขึ้นสวรรค์เองใจเราสงบสะอาดสว่างก็ไปนิพพานเองในเวลานั้นในขณะนั้นดังนั้นเองสวรรค์ก็อยู่ในนี้นรกก็อยู่ในนิพพานก็อยู่ในนี้เราจะเลือกไปอย่างไหนก็ได้อยู่ที่ใจของเราทั้งหมดไอ้เลืองข้างนอกนั้นเป็นเรื่องเปลือกมันแต่เรื่องเนื้อเนื้อมันคือใจของเรานี่เองดังนั้นท่านทั้งหลาย ถ้าเราไม่ภาวนาเราก็จะทําไม่ได้รู้ทั้งรู้แต่ทําไม่ได้ดังนั้นการภาวนาทั้งที่เป็นสมถาภาวนาทั้งที่เป็นวิปัสนาภาวนาเรามีไว้เพื่อให้มนุษย์ของเราเนี่ยได้ศึกษาเพราะพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านได้ตรัสรู้แล้วนําสิ่งนี้มาบอกมาสอนมาให้เราได้ศึกษา เมื่อเราได้ศึกษาเราได้ปฏิบัติตามแล้วอะไรก็ได้สัมผัสนะสัมผัสสวรรค์นในอกนรกในใจนิพพานอยู่ที่ใจเนี่ยได้ตลอดเวลาดังนั้นเราก็เลือกเอาเราจะเลือกเป็นแบบไหนนะแต่ว่าถ้าเราภาวนาเป็นเราก็จะไปได้ง่ายภาวนาไม่เป็นเราก็นั่งหลับตา ภาวนาหาความสงบอันนี้ก็เรียกว่าภาวนาไม่เป็นเราก็ง่วงนะง่วงบ้างเบื่อบ้างเซ็งบ้างใจของเราก็ไม่รู้ขาดสติขาดปัญญาแล้วกไปนิพพานก็ไม่ได้นะดังนั้นญะนะาติโยามทั้งหลายการที่เราสวดอภิธรรมเจคัมภีร์เริ่มตั้งแต่ว่ากุศลธรรมากุศลธรรมาปยากตาธรมาพระไปงานไห น, ะนก็สวดอย่างเงี้ยเราก็ฟังอย่างเงี้ยกี่ปีกี่ชาติกี่บ้านกี่เมืองก็สวดแบบเดียวกันเนี้ยแล้วไม่มีอะไรแตกต่าง แต่ลัการท่านเราจะมาบอกกันว่าในโลกนี้มันมีอยู่สามเรื่องเท่านั้นนะหนึ่งเรื่องดีสองเรื่องไม่ดีสามเรื่องยังไม่แน่ว่าดีหรือไม่ดีมีอยู่สามเรื่องท่านต้องการมาบอกเขแต่ว่าเราต้องการทําเรื่องไหนล่ะเราต้องการทําเรื่องดีหรือต้องการทําเรื่องไม่ดีหรือต้องการทําเรื่องที่เราไม่รู้คนเราก็ทําได้ทุกเรื่องสามเรื่องบางครั้งเราก็ทําดีบางครั้งเราก็ทําไม่ดีบางครั้งบางครั้งเราก็ทำไม่ไม่ถูกต้องเราก็ไม่รู้วันดีไม่ดีหรือทําไม่ถูกนะ ดังนั้นญาติโยมทั้งหลายพระท่านก็สวด ว, ว่ามาบอกเราทุกวันในโลกนี้มันมีสมอย่างนะคุณจะปไปเอาทางไหนดีมีเรื่องที่ดีและเรื่องไม่ดีและเรื่องยังไม่ไม่ไม่ไมไมถูกต้องเราจะทําแบบไหนเลือกเอาได้แต่ท่านบอกว่าคนไหนทําที่มันดีมันถูกต้องจะทําให้ราได้รับความสุขคนไหนทําไม่ดีไม่ถูกต้องจะทาให้เราความทุกข์คนไหนยังไม่รู้แล้วทาไปก็ไม่แน่วันอาจจะรับความสุขก็ได้รับความทุกข์ก็ได้อันนี้คำพีที่หนึ่งท่านสอนอย่างนี้นะ มันมีอยู่สามเรื่องนะเรื่องดีเรื่องไม่ดีรือเรื่องยังไม่ไม่ไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีสมเรื่อ ง, อง <Okay. S 1> คำพีที่สองท่านสอนว่าปัญจกคันธารูปะขันโทเวทนาขันโทสัญญาคันโทสังขารักคันโทว่าตัวของเราเนี่ยมันมีอยู่ห้าห้ากองห้ากลุ่มนะกลุ่มของรูปกลุ่มของเวทนากลุ่มของสัญญากลุ่มของสังขารกลุ่มของวิญญาณบนนั้นตัวของเรามันมีอยู่ห้ากิ่งน่แหละ หาสองกิ่งแขนสองกิ่งหัวหนึ่งกิ่งนี่เราเรียกก็มีห้าห้ากิ่งนี่แหละคนเรานิ้วก็อยู่มีห้านิ้วคนไหนมีหนิ้วเ็ดนิ้วแปดนิ้วขึ้นมาก็เรียกผิดปกติแล้วแต่คนนี้มีสมนิ้วสองนิ้วก็ผิดปกติแล้วเพราะอะไรขันเขาเรามีห้าขันรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่เราไปสําคัญว่ารูปของเราเวทนาของเราสังขารของเราวิญญาณของเรานี่เราก็จะเป็นทุกข์นะเราไปสําคัญว่ากายใจเป็นของเราจะเป็นทุกข์ แต่เราคิดว่ากายใจของเราในเป็นเครื่องมือให้มาทําดีก็ได้ทําชั่วก็ได้ทําดีก็ดีทําชั่วก็เป็นทุกข์ไปร่างกายและจิตใจนี่เป็นเพียงเครื่องมือให้มาสร้างกุศลแต่ถ้าหากว่าเราไม่รู้เราก็ใช้กายใจของเราเป็นเครื่องมือในการทําบาปก็ได้เป็นเครื่องมือในการทําบุญก็ได้ถ้าเราใช้กายทั้งใจนี้เป็นเครื่องมือทําบุญเราก็จะได้ความสุขเป็นผล ถ้าเราใช้กายใช้ใจนี้เป็นเครื่องมือในการทําบาปเราก็มีทุกเป็นผลถ้าเราใช้กายใจนี้ไปนในทาง ส, สุขสบายก็ได้สวรรค์เราใช้ร่างกายได้จิตใจไปทางทุกขเราก็ไปนรกท่านก็บอกอย่างนี้นะอันนี้คัมภีร์ที่สองท่สอนอย่างนี้คมภีร์ที่สท่านว่าสังก่าโหสังกโห ส, นะสังคีเตนะสังคีตังสังคเตนะสังคีตังเราก็ฟังกันมาหลาย ร้อยหลายวันหลายพันหลายปีก็จะฟังกันอยู่อย่างนี้แต่ก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรท่านบอกว่าในโลกนี่นะมันมีเรื่องที่เข้ากันได้ก็มีเข้ากันไม่ได้ก็มีถูกชะตาก็ไม่มีถูกไม่ถูกชะตากันเราอยู่ร่วมกันน่ยมันมีอยู่บางอย่างก็เข้ากันได้บางอย่างก็เข้ากันไม่ได้อย่างสามีภรรยาบางคู่เข้ากันได้บางคู่ก็เข้ากันไม่ได้ ลูกเต้าของเราอยู่ในบ้านบางครั้งก็ถูกกันดีบางครั้งก็ไม่ถูกกันอของบางอย่างที่เรากินบางครั้งก็ถูกกับกายเราบางครั้งก็ไม่ถูกกายบางคือไม่ถูกกายเรากินเข้าไปก็ท้องเสียบ้างเจ็ปบป่วยบ้างถ้ามันถูกกายเรากินแล้วไปสบายอย่างนี้เป็นตนนะดังนั้นในโลกนี้เราต้องเลือกในสิ่งที่มันเข้ากับเราอันไหนมันไม่เข้ากับเรามันทําให้เราไม่สบายเราไปอยู่กับคนที่ไม่ไม่ถูกกันอยู่เท่าไหร่ก็ไม่สบาย แต่ไปอยู่ไปทํางานกับคนที่มันถูกกันคนที่มันรักกันเนี่ยอยู่ยังไงก็สบายทําอะไรก็ ส, สะดวกนะเขาว่ารู้จักเลือกอคำพีเนี่ยได้ว่าให้รู้จักเลือกให้รู้จักเลือกกินให้รู้จักเลือกใช้อย่างอาหารการกินเนี่ยเราไม่รู้จักกินน่เป็นไงทําให้เป็นโรคภัยไข้เจ็บนี่เรียกว่าไม่รู้จักเลือกมันจึงไม่เข้ากันนะดังนั้นปัจจุบันเนี่ยเราส่วนใหญ่เป็นโรคภัยไข้เจ็บเพราะไม่รู้จักเลือกในสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเอง เราจึงไปโลกนั้นโลกนี้ไปกินยาหาหมอกันอยู่ไม่หยุดไม่หย่อนเพราะว่าเราไม่รู้จักเลือกเพราะฉนั้นบอกสังขาอันไหนมนนนนันสงข้อกันได้อันไหนสงข้อก็ไม่ได้นะอันไหนที่มันทั้งสองสองอย่างนะเข้าอันนี้ก็ไมาา่ได้เข้ากันนั้นไม่ได้ก็รู้จักเลือกนะดัะนั้นในในสังคมเราก็เหมือนกันท่านบอกว่าแม้แต่มิตรเนี่ยท่านบอกให้รู้จักพบ อาเสวนาจะพาราณังบันดิตานั่นจะเสวนาท่านบอกว่าให้รู้จักคบถ้าหากว่าคบคนดีคบคนพาลพาลก็ไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตไปหาผลพาไปหาผลอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะนี้นเราอยู่ในบ้านในเมืองของเราเราก็รู้จักคบมิตรบางคนคบไปแล้วพาไปกินเหล้ากินยาเล่นการพนันสูญเสียเงินทอง บางคนคบกันแล้วนําไปวิวัตรพัฒนา ท, ทําธุรกิจการเงินการทองอมีความร่ารวยความสุขสบายดีก็มีบางคนคบกันแล้วไปเจ็บไปตายไปได้รับความลําบากเดือดร้อนก็มีบางคนคบกันไปแล้วไปสู่สุขสบายก็มีอุริยาชบอกให้รู้จักคบให้รู้จักเลือกนี้เรียกว่าคำภีที่สสอนคนเราให้รู้จักคบให้รู้จักเลือกใช้ของทั้งหลายทั้งปวงที่จะไม่เป็นพิษเป็นภยัยไม่เป็นโทษแก่กายแก่ใจของเรานี่ยคมภีที่สาม ท่านสอนเรื่องนี้สังกาโหะไ้สังกะโหนะสังกีเทนะสังเป็นทีนี้ต่อมาคำภีที่สี่นั้นท่านว่าสอนเรื่องบัญญัตินะในโลกของเราเนี่ยมันเรื่องบัญญัติหมายความว่าคนเราเนี่ยมันมีทั้งสมมุติร่างกายของเราก็มีจิตใจของเราเนี่ยมีทั้งของจริงและไม่จริงร่างกายนี่ของเราเป็นจริงไหมอ่มันจริงแท้ไหม ระว่งร่างกายและจิตใจของเราอันไหนเป็นของจริงอันไหนเป็นของปลอมนะระหว่างความดีกับความไม่ดีอันไหนเป็นของจริงอันไหนเป็นของปลอมมาในเที่ยงอันไหนไม่เที่ยงนะท่านก็จะถามเรานะว่าเราจะเอาแบบไหนเราจะชอบความเที่ยงหรือไม่เที่ยงเราจะชอบสิ่งที่มันเที่ยงแท้ทาวรหรือสิ่งที่มันชั่วคราวร่างกายกับจิตใจอันไหนเป็นของชั่วคราวอันไหนเป็นของที่เป็นถาวร ท่านรู้ไหมว่าร่างกายกับจิตใจสิ่งไหนเป็นของจริงกายเป็นของจริงหรือใจเป็นของจริงกายเป็นของปลอมหรือใจเป็นของปลอมอ่าเช่นเราทำเราทำดีนะเราทำดีเนี่ยกายได้รับวิจัยได้รับนะเอากายไปทำดีกับเอาใจไปทำดีเนี่ยดังนั้นเวลา เวลาเราไปทําอะไรก็ตามเนี่ยเราทำด้วยใจถ้าทําดีสิ่งดีนี่ก็ติดใจเราไปแต่มันไม่ได้ติดกายเราไปนะั้นไอสิ่งความดีทั้งหมดพอตายไปแล้วมันก็หมดกันไปแต่มันเหลืออยู่ที่ใจของเรานะเช่นระหว่างมะพร้าวเปลือกมะพร้าวกับเนื้อมะพร้าวเนี่ยอันไหนเป็นของที่มันเอาไปต่อได้อันไหนที่เอาไปปลูกต่อได้ระหว่างเมล็ดมะพร้าวกับลูกมะพร้าว หรือระหว่างเมล็ดมะ ม, ม่วงกับเนื้อมะม่วงอันไหนเป็นของที่เอาไปปลูกต่อได้อันไหนที่เอาไปปลูกต่อไม่ไดนะ้ระหว่างเปลือกทุเรียนเนื้อทุเรียนเม็ดทุเรียนอันไหนที่มันยังอยู่อันไหนที่มันเน่าไปเสีย uh, ไปเนี่ยก็มีสองส่วนกายกับใจของเราเนี่ยอันไหนที่มันเน่าไปเปื่อยไปตายไปแล้วอันไหนที่มันยังอยู่นะอันนี้เราก็เอามารู้เรื่องนี้ว่ามันมีสองอย่างแค่นี้กายกับใจ ดังนั้นเราจึงต้องเลือกทำว่าอันไหนที่เป็นประโยชน์ทางกายก็ทำให้เราได้กินได้อิ่มได้ปัจจัยสีได้ดไดกินได้อิ่มได้สุขสบายแต่เราเอาไปชาติหน้าไม่ได้นะทรัพย์สินสมบัติทั้งหมดเนี่ยที่เราหามาได้เนี่ยมันเป็นของชั่วคราวตายไปแล้วก็ทิ้งไว้ให้คนรุ่นหลังคนที่อยู่เบื้องหลังแต่ว่าบุญกุศลคุณงามความดีถ้าตายไปแล้วเนี่ยเราเอาไปด้วยได้ ดังนั้นเราจะหมวแต่หาทรัพย์สินสม บ, บัติทางเงินทาทองอย่างเดียวไม่ได้เราต้องห า, าสินหาทานหาคุณงามความดีใส่ใจด้วยเพราะมันเอาไปด้วยได้ทรัพย์สมบัติมีเป็นหมื่นล้านแสนนั้นเวลาตายไปแล้วเนี่ยบาทเดียวก็ไปด้วยไม่ได้แต่ความดีแม้เราทําครั้งเดียวเนี่ยเอาไปด้วยได้เพราะฉะนั้นเราจึงไม่ดูถูกความดีเพราะมันเอาไปได้นะขนุนเนี่ยทั้งลูกนี่นะลูกบลเบื้เริ่มเนี่ยเท่าตุ่มเนี่ย เวลามันแก่มาเน่าไปเสียไปเราทาไมเอาไม่เา ม, าเมด็ดไม่เอาเม็ดไปเพาะ a, นี่นะมันก็ไม่ขึ้นนะมันจะเน่าหมดแต่ถ้าเราเม็ดไปเพาะมันขึ้นฉันใดก็ดีร่างกายเราทั้งล่างเนี่ยตายไปแล้วก็เน่าเหม็นไปหมดแต่เอาจิต Cross วิญญาณเนี่ยไปเกิดได้แต่ถ้าเราไม่ทาสิ่งที่ดีไม่ทําสิ่งที่เหมาะสมแล้วเราก็ไปเกิดในทางที่ไม่ดีล่ะแต่ถ้าเราเกิดทําที่ดีเป็นบุญเป็นกุศลก็ไปเกิดในทางดีนั้นเมล็ด จิตวิญญาณจึงเป็นเมล็ดของคนร่างกายนี้เป็นเปลือกของคนจิตวิญญาณเป็นเมล็ดของคนเราจะรักษาเปลือกหรือรักษาเมล็ดเราจะรักษาร่างกายดีหรือศึกษาจิตวิญญาณดีให้พิจารณาคนทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยให้เห็นเห็นแต่ความสุขสบายของร่างกายแต่ว่าด้านจิตใจแทนที่จ ะ, จะให้ทานรักษาศีลแต่เจริญภาวนาเป็นประจำอันนั้นเป็นเมล็ดเรากลับไม่เคยทํานั้นเวลาเราตายไปแล้วเราไม่รู้จะเอาอะไรไป เพราะว่าร่างกายเลยก็เน่าเสียเผาแล้วก็หมดกันไปแต่จิตใจนี่ต้องไปเวียนว่ายใจเกิดถ้าเราไม่มีสิ่งที่ดีเป็นสเสบียงเป็นเครื่องนําทางไปเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเวียนว่ายใจเกิดอีกสักเท่าไหร่นะอันนี้คำภีร์ที่4ี่ท่านสอนเรื่องนี้คำภีร์ที่5ห้าคำพีที่5ท่านสอนนึนว่าเรื่องของอุปโรปรปติชจิกาธาปรมาถเณนะ ท่านบอกว่าร่างกายของเราเนี่ยมันมีความจริงและความไม่จริงอยู่ด้วยกั น, นร่างกายในเป็นของไม่จริงจิตใจที่เป็นปรมัตร์เป็นของจริงเราจึงแสวงหาศีลหาธรรมแสวงหาการเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาอันเป็นส่วนปรมัตร์เป็นของแท้ถาวรตั้งอยู่ได้เป็นอมตะ พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้มาเป็นเวลาสามพปีแล้วเนี่ยคำว่าคำสั่งสอนของพระองค์ท่านก็ยังอยู่ตั้งสามพันปีแต่ร่างกายของท่านอยู่ได้แค่80ปีท่านก็ไปล้สู่นิพพานสู่บรณนภาพาไปอยู่ได้แค่นั้นแต่ว่าสัจธรรมที่เป็นปรมาิตย์ของท่านน่ยอยู่ได้เป็นหลายพันปีท่านบอกถึงห้าพันปีและพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปมาตรัสรู้ก็อยู่ต่อไปอีกเป็นหลายหมื่นปีแต่ร่างกายอยู่ไม่ถึงร้อยปีก็ตายจากกันเห็นไหม นี่เขาเรียกว่าเราควรที่จะเลือกในปฏิบัติในส่วนที่เป็นปรมามัตดคือความจริงเอาไว้แต่ในส่วนที่เป็นสมมุ in ติในเปลยอเสมือนต้นไม้ต้นไม้ทั้งต้นเนี่ยเวลามันแก่มันตายไปก็เป็นธาตุดินหมดแต่มันเหลือเมล็ดเอาไว้ที่จะเป็นต้นต่อต่อไปฉันใดร่างกายนี้เมื่อมันตายดับขันดินน้ําลงไฟไปแล้วก็เป็นดินน้ําลงไฟเหมือนเดิมแต่จิตวิญญาณที่เป็นปรามัตดนั้นจะต้อง อยู่ต่อไปอแต่ว่าเมื่อไรมันสิ้นหมดเชื้อราคะโทสะโมหะแล้วจิตวิญญาณ น, นั้นก็จะไม่เวียนไวไ่ายใจเกิดอีกต่อไปแต่ถ้าหากว่าเรายังมีราคะโทสะโมหะอยู่เราก็ต้อ ง, ต, องต้องเวียนไวไ่ายใจเกิดเมื่อไหร่เราปฏิบัติภาวนาสมถะภาวนาก็ดีวิปัสนาภาวนาก็ดีเราก็จะหมดเชื้อที่จะไปเวียนไวไ่ายใจเกิดเราก็ ไม่ต้องมากลับมาทุกอีกนี่นี่คัมภีร์ที่ห้าท่านสอนเรื่องนี้คัมภีร์ที่หมันบอกว่าเยเกจิกุสลาธรรมาพเพเตกุสลามูเลนะเอกามูลาเราก็ฟังพระสวดทุกศพเราก็ไม่รู้ว่าท่านแปลว่าอะไรนะเราก็ฟังไปฟังมาอยู่เนี้ยไปงานไหนก็ฟังงานนั้นแต่ว่าไม่รู้เขาเขาสวดเขาแปลว่าอย่างไรคัมภีร์ที่หท่านแปลว่าเยเกจิกุศลาธรรมาทำเ่าไหน ทำพวกไหนเป็นกุศลทำพวกไหนเป็นอกุศลแล้วก็ท่านบอกว่าทำไหนที่เป็นกุศลเนี่ยมันจะมีความมีสติมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยเป็นมูลเป็นรากเป็นเขาส่วนที่ทำเป็นอกุศลเนี่ยมีราคะโทสะโมหะเป็นรากเป็นเขา เมื่อใดเรามีราคะโทสะโมหะได้ชื่อว่าเราได้ทำอกุศลคือทำในสิ่งที่ไม่ดีเมื่อใดเรามีสติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นในจิตในใจเราเราไม่รู้อะไรก็ถือว่าเราได้ทำสิ่งที่ดีแล้วเพราะนั้นเราจะทำกุศลอกุศลเราต้องฝึกกายวาราจใจของเราให้เกิดบุญกุศลตลอดเวลาแต่ถ้าเราไม่ได้ฝึกหัดดัดหัดเกลาเนี่ยมันจะเป็นกุศลเองเนี่ยไม่ได้ ดังนั้นเองเพ่อใหญ่จันของเราเนี่ยตั้งแต่สมัยท่านมีชีวิตอยู่ท่านก็พาลูกพาหลานไปปฏิบัติภาวนาอาตมาเนี่คุ้นเคยกับท่านดีนะเจอกันที่ไหนก็คุยธรรมะ ก, กันตลอดนะไม่ได้คุยกันเรื่องอื่นนะไม่ได้ไปนินทาชาวบ้านไปนินทาหลานชาวเมืองไม่คุยแต่เรื่องว่าเราจะอยมีสติได้อย่างไรเราจ ะ, จะเจริญสมาธิกันอย่างไรเราจะเกินปัญญากันอย่างไรถึงจะสะดวกสบายสนทนากันแต่เรื่องนี้ เพราะนั้นพระยาจันทร์ก็เลยว่าเป็นที่รักของญาติธรรมและพระรักของลูกหลานเราก็จึงมาสวดมาจัดพิธีให้นะทีนี้คำภี์ที่เจ็ดคำพีที่เจ็ดท่านสวดว่าไงเห hey, ตุปั จ, จโยรมณปั จ, จโยทิปติปั จ, จโยค่อสวดก็ฟังแต่ปั จ, จโยปั จ, จโยไม่รู้ว่าเอ m e a n i ความว่าอย่างไรท่านบอกในโลกนั้นมันมีเหตุทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดมามันมีนมเหตุมีปัจจัยมันไม่ได้ไม่ได้บับงเอิญมาเกิดนะ จู่ๆมาเกิดเป็นคนไม่ใช่นะพอเราจะมาเป็นคนได้เนี่ยเราทําบุญกุศลมาเยอะนะในชาติที่แล้วการมาเกิดเป็นคนพุทธิยถาตรัสไว้อย่างนี้ว่ากิจโฉมนุสสัพติลาโภการเกิดเป็นมนุษย์ยากที่สุดกิจฉังมัจจานชีวินาวิตังเกิดมาแล้วจะอยู่อย่างสะดวกสบายก็ยากที่สุดกิจฉังสันทัปสัตตมัสสวนงังเกิดมาแล้วจะได้ฟังสิ่งที่เป็นอาจเป็นธรรมฟังแล้วเกิดความเข้าใจก็ยากที่สุด กิโโชพุทธานะมุปาโทเกิดมาแล้วได้ฟังธรรมะคําสั่งสอนของผู้ที่เจ้าจนได้ดวงตายเห็นธรรมได้บรรลุธรรมก็ยากที่สุดดังนั้นอันแรกที่ว่าเกิดมาเป็นมนุษย์ยากที่สุดก็เพราะอะไรเพราะว่าแต่ละคนที่ได้มาเกิดเนี่ยเคยทําบุญกุศลมาก่อนชาติแล้วชาติอื่นเราได้ทําบุญกุศลมาก่อนแต่ว่าทําไมเกิดแล้วบางคนยากจนบางคนร่ํารวยบางคนมีสุขบางคนมีทุกข์บางคนขี้โลกบางคนสุขภาพดีเพราะอะไร เพราะว่าบุญกุศลมาในะทำมาต่างกันบางคนทำบุญกุศลด้วยแต่ว่าชอบฆ่าสัตว์ก็เกิดมาก็เลยสุขภาพไม่ดีบางคนทำบุญกุศลด้วยแต่ว่าชอบลักทรัพย์เล่นไพ่เล่นไฮโลซื้อหวยรวยเบอร์ก็เรียกว่าทำบุญกุศลแต่ว่าก็ยังชอบการพนันอยู่เกิดมาแล้วก็ยังยากจนเกิดมาแล้วก็แล้วก็ยังยากจนบางคนทาบุญกุศลแล้วก็ยังชอบมี อะไรล่ะชอบร่วงระเมิดในสิทธิของรักของหวงผู้อื่นชอบร่วงระเมิดในสิ่งที่เป็นกามชอบสนุกสนานในกามอยู่ชอบทำบุญกุศลแต่ยังสนุกสนานในกามอยู่นั้นเกิดมาแล้วก็ถูกเขานินทาถูกเขาด่าเขาว่าถูกเขาเสียดสีถูกเขาระเมิดจิตใจถูกเขาข่มเหงคดเนรไร อยู่อีกขณะว่าเกิดเป็นมนุษย์แล้วนะเขายังด่ายังว่ายังนินทายัยงสศประมาทยังเหยียดหยามเราเราเกิดมาเป็นมนุษย์ทําไมมีอย่างนั้นด้วยเพราะในสมัยก่อนนั้นเราถึงทํา บ, บุญกุศลก็จริงแต่ว่าเราก็ยังชอบละเมิดสิทธิของหลวงของผู้อื่นอยู่ชอบมีอ่าเรียกว่าไม่ไม่พอใจในสามีภรรยาของตนไปมีนั่นปีนี่ต่ออีกนั่นเดียวกว็ยังก็ยังมีจึงได้เป็นอย่างนั้นบางคนเกิดมาแล้ว มีสติปัญญาดีบางคนเกิดมาแล้วทําไมมีสติปัญญาไม่ดีบางคนดาบุญความกุศลแล้วก็ยังชอบเจริญภาวนาเจริญสมถะภาวนาบ้างเจริญวิปัสนาภาวนาบ้า ง, านาางคนนี้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็มีสติปัญญาดีนะทำมาหากินก็ง่ายหานิ t h าหน่อยก็ร่ําก็รวยสติปัญญาดีบางคนหาเท่าไหร่ก็ไม่ร่รํามารวยบางคนก็เป็นคนใบเบีย้ยเสียจริตเป็นคนวิกลเจริตเป็นคนหลงคนลืม นั้นแม้ว่าได้มีบุญกุศลได้มาเกิดเป็นมนุษย์แต่ชาติที่แล้วชอบดื่มกินสุราชอบทอําการเฮฮาสนุสนานเรื่องอบายมุกทั้งหลายทั้งปวงเกิดมาแล้วก็ยังมาเป็นอย่างนี้อีกนะดังนั้นแม้เราทําบุญกุศลมาเราก็ได้ทําวิบากกลับมาด้วยถึงเป็นอย่างนี้อันนี้คัมภีร์ที่7็วัตถุสิ่งทุกอย่างที่เราเป็นอย่างนี้มันมีเหตุเพราะอะไรลุงจิงจนเพราะทําไมคนจึงรวย เพราทำไมเราจึงสุขภาพดีทำไมสุขภาพไม่ดีทำไมชอบเจ็บป่วยบางคนไม่เจ็บไม่ค่อยเจ็บป่วยเลยเนี่ยทำไมมีบางคนมีชื่อเสียงรู้รู้จักกันทั้งบ้านทั้งเมืองบางคนเป็นคนอพยพอดสูดูเขาดูถูกดูแคลนอะไรทํานองเนี่ยเพราะว่ามันมีเหตุที่เราได้ทํามาก่อนสิ่งที่เราเป็นปัจจุบันเราเคยทํามาทั้งนั้นนะไม่ว่าทำมาชาตินี้ชาติแล้วเนี่ยแต่เราไม่รู้ดังนั้นท่านบอกว่าออทุกอย่างมีเหตุมีปัจจัยนะ ถ้างเลยสวดอย่าไปคิดว่าทำไมคนนั้นมาด่าเราคนนี้มาว่าเราคนนี้ทาให้เรายากจนคนนั้นทําให้เราเป็นทุกข์คนนั้นทาใหเราเจ็บป่วยเนี่ยมันไม่มีใครทําใครได้นะแต่ที่มันเป็นอย่างนั้นเราเคยทํามาแล้วทั้งนั้นเราเคยทํามาก่อนทั้งนั้นมันจึงเป็นอย่างนี้นะอันนี้เจ็ดคำพีทั้งเจ็ดคำพีพูดถึงเรื่องที่อาตมาได้กล่าวมานี้นะเพือนญาตโยมทั้งหลาย อภิธรรมเจ็ดคำพีเมื่อถอดความมาแล้วก็คือชีวิตจริงของเรานี่เองไม่ใช่เป็นบาลีแล้วฟังไม่รู้เรื่องดังนั้นลําดับต่อไปนี้ไม่ทราบว่าหนังสือเราเอามานี่ครบกันหรือเปล่านะชาวบ้านจะได้สวดด้วยวันนั้นหลวงพ่อไปจัดงานแบบนี้ที่อําเภอแม่สอดพอดีเขามีหนังสือส่วนมนุษย์คนมางานทั้ง200กว่าคนก็สวดกัน200กว่าคนเลยสวดร่วมกันสวดมนต์แปลร่วมกันสวดแปลกุศลานะแต่ด้าที่ทั่วไปเขาสวดเดื พลายสวดแล้วก็ไม่แปลด้วยนะชาวบ้านก็นั่งฟังกันไม่รู้เรื่องอะนะแต่วันนี้ไม่รู้ห น, นังสือเรามาครบกันไหมถ้าครบก็แจกด้วยเอาแจกไปข้างหลังด้วยแจกไปได้สวดกันทุกคนได้บุญทุกคนในการสวดถ้าเหลือก็แจกไปข้างหลังเราได้สวดพร้อมกันดังนั้นเองในสิ่งที่กล่ า, อาวอภิธรรมเจ็ดคำพีมาเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็สวดเป็นภาษาบาลีแปลเพื่อจะได้รู้เรื่องกันว่าเขาสวดกันอย่างไรนะ ก่อนที่เราจะสวดก็จะมีการจุดธูปจุดเทียนน ะ, ะบูชาพระรัตนตรัยก่อนแล้วก็สวดกันเอาเจ้าภาพมาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยก่อนที่จะลงมือสวด